าสาธุชนพุทธบรีศัพท์ทั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็ขอมาพบกบรรดาลูกหลานทั้งหลายในเรื่องขาโมโหสดบันดิตต่อไปเนื้อความเดิมมีอยู่ว่าเม่เกวักราบทูรกับเจ้าจุนนีธรรมทัต เราควรจะกักไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งนำน้ำออกอกจากนอกเมืองได้เมื่อชาวเมืองอดน้ำก็ยะงทนไม่ไหวจะต้องเปิดประตูเมืองออกมามีหมายความว่าในคราวก่อนพระเจ้าจุนนีธรมทัตได้ยกทัพไปล้อมเมืองกุสินารามิธิรามหานครข้าพเจ้ามิเทหราช มาตอนนี้ก็ขอเล่ากันต่อไปเพื่อนะความอยู่ได้ไม่ช้าเาะนอันว่าพระเจ้าจุนานีพธรมทัตเห็นด้วยยังได้รับสั่งให้ทหารออกตรวจตราโดยเข้มแข็งอย่าให้ใครนำน้ำเข้ามาในเมืองได้คนที่มาโหสดวางไว้ภายนอกขบวนนาวีห้าเขาดูความเคลื่อนไหวของข้าศึก ก็เขียนหน้าสือผูกปลายลูกศรยิงส่งข่าวเข้าไปในเมืองเป็นอันว่าแนวที่ห้าเขามาโหสดนี่อยู่ในกองทัพของข้าสุดไมใ่ใช่อยู่ที่บ้านนี่ ก, การใช้ปัญญาในรูปหลานที่รักเขาต้องทำแบบนี้เวลานี้ก็ดูว่าประเทศเราก็จะถูกในสภาพเช่นนั้นไม่กัน เพราะนั้นว่าเมื่อมโหสุดได้ทราบข่าวจากคนที่ส่งข่าวมาดังนั้นจึงให้นำไม้ไผ่มาต่อกันเข้ายาวได้ประมาณหกสิบศอกแล้วก็ผ่าเป็นสองซีกลานปล้องไม้ไผ่เนี่ยข้างในมันเป็นตอกปล้องคือทำลายส่วนที่ขัดข้องที่มันปล้องเสีย ทำลายปล้องออกให้หมดแล้วก็ะกบกันเข้ารัดด้วหนังเอาปลายไม้ผ้ายกำแพงนะเอาปลายในผ้ายกำแพงกำแพงหวังไอ้กำแพงเบืองแล้วคนไม้ยกขึ้นให้สูง <c oughs> แล้วก็ช่วยกันตักน้ำในสระปกนีใส่ลงไปเอาน้ำใส่ไปน่าใส่ทางโคน ให้ไหลมาจากทางปลายแล้วให้ไหลอย่างนั้นไม่ขรยะมีดอกบัวไหลออกไปหมายความมีดอกบัวไหลออกไปด้วยแสดงว่าน้ำในพระนครมีเหลือล้นนีเป็นการลวงข้าศึกเมื่อค้าศึกต้องการให้อดน้ำแต่ก็มโหสถให้ทำทีเหมือนว่าน้ำนั้นเหลือล้นจริงๆ จากักอยู่กีป่ปีน้ําก็กินไม่หมดน้ําที่เหลือก็ลน้นจนออกมาจนต้องเอาออกมาคนข้างนอกให้คนข้างนอกไปใช้บ้างมีไม้คว่าเป็นนโยบายว่าเขาต้องการเงี้อดน้ําก็เลยทําทอดน้ําให้น้ําไหลออกไปข้างนอกแสดงว่าในเมืองเนี่ยน้ํามากจริงๆ จนถ้าแบ่งเอาอไปข้างคองข้างนอกใช้และคนรอบรยากาศว่านี่พ้อคุณพระมหาสำเดญท่านทด่อยู่ข้างนอกฮะท่านจะต้องการน้ำกินน้ำอาบแล้วก็มาใช้น้ำที่ท่อนี่นะน้ำพวกเรามีใช้ไปหลายสิบปีเพราะในที่นี้มีสาบปกนีมีตาน้ำใหญ่มาก ไหลเหลือล้อนพ้นเกินกําลังที่คนที่นี่จะใช้ได้ฉนั้นขอท่านนั้หลายอยู่ที่หายนอกเมือง <c oughs> ถ้ามีความประสงค์จะใช้น้ําก็เชิญเอาไปใช้ได้ตามสมาย <c oughs> ขอโทษวันนี้ขอไม่ดีเมื่อาทหารก็ไม่เจ้าจุนนีพรมทัดได้ทราบความดังนั้นจริงเข้าก็กราบทูลให้ทรงทราบก็ขอเดชะ การที่เราจะล้อมเมืองให้เขาอดน้ำตายน่ากกจะไม่สําเร็จเพราะปรากฏว่าในเมืองมีสระใหญ่มีตาน้ำมากไหลตลอดปีจึว่าตั้งอน้ำโ อ, อให้คนข้างนอกใช้ข้างนอกกินกันแล้วพระเจ้าค่ะเป็นอันว่าเพื่อทหารกราบทูลได้พระเจ้าจุนนีพรมทัศน์นั้นแล้ว จี่นี่กราบทูลแปลว่าขอเดชะน้ำในเมืองมันมากอย่นี้จะต้องออกมาในเมืองให้คนใช้เราจะทํำยังไงดีการที่จะกักคนในเมืองให้อดน้ำเห็นจะไม่มีหวังพระเจ้าจุนนีพมัทเจ้รับสั่งถามเกวัตปโรหิตว่านี่เกวัตทานาจารย์ ในเรื่องที่เรายกักน้ํำไม่เขามีน้ํากินน้หมดหวังเสีแล้วข้างในเมืองมันมีน้ําเหลือล้นจริงๆอุบายที่เราเย่ทําชาวเมืองอดน้ำเห็นจะไม่สำเร็จท่เกวัจินิกราโทนต่อไปว่าขอเดชะถ้าเช่นนั้นก็ต้องให้คนภายในอดข้าวเมื่อคนภายในเมืองมากข้าวที่กักไว้มันก็จะหมดไปทีละน้อยทีละน้อย และโอกาสที่จะมาทํานาทําไร่มันก็ไม่มีขอองค์คุยตรวจรายย้ายคนภายนอกออกมาทํานาเข้าไปเลี้ยงคนภายในเมืองได้วิธีนี้เห็นว่าจะสําเร็จแน่พระเจ้าค่ะเพราะว่าในเมืองไม่มีข้าวเหลือเฟือนอกจากที่จะได้รับจากคนภายนอกใน ไ, ไมายความว่าเขาต้องกันล้อมกันเป็นปีนะ อย่างที่สมัยกรุงศรีติยาเราถูกล้อมจากพมาก่าเขาใช้เวลาล้อมเป็นปีเหมือนกันเห็นว่าตามแถวลบบุรีนี่จะมีค่ายพม่ากเก่าๆยังเหลือซากอยู่เยอะไอ้ปักป้ายบอกว่านี่เป็นเขตของค่ายพมา่าเขาตั้งค่ายใหญ่โตมากมีสมีบ่อน้นําใหญ่มีบริเวณใหญ่และบริเวณใกล้ๆที่เขายึดเขาก็ปลูกข้าวด้วย เป็นนว่าพระราชารับสั่งให้ทำตามรหิตสัง่งแล้วก็บรรากก็ได้หันว่าอย่าให้มีผูนน้ใดนำข้าวเข้าไปในเมืองได้ไปแองขาดโอ้โหสดทราบความจากแนวทีห้าที่อยู่กับข้าสิกยังไม้เอาโคลโนมาเทลงบนกำแพงแลว้ววายนข้าวเปลือกลงไปในที่นั้นรุ่งขึ้นข้าวเปลือกก็งอกงามเต็มไปหมด เป็นเที่ยสจัญอย่างยิ่งระเจ้าจุนนีทอดกระเน็ดหิ้งข้าวงอกเต็มกําแพงรู้สึกแปลกใจไอ้อออนี่มันยังไงกันไอเมือง น, นี้ข้าวในเมืองมันก็มีที่ น, นี่แต่ถามนี่นเกวัตร่ะนี่นเกวัตก็ยังไงเวลานี้ปรากฏว่า บ, บึงกําแพงเมืองเนี่ยมันมีข้าวเต็มไปหมดเห็นไหม ที่บอกว่าในเมืองไม่มีที่ทำข้าวมันไม่แน่ใจแล้วคนที่มาโหสดวางไหวสิบขาได้โอกาสจะได้กราบทูลว่าขอดีช้าเมื่อโหสดบันลิดเป็นพิ่ิธสารและแจกานของพระเจ้าวิถหราชนี่เป็นอันวันแนวที่หา้าหนึ่งของเขาอยู่ใกล้ชิดส บ, บาทสมเด็จพรอยู่หัวเขาเลยนะนนวันนี้ก็เหมือนกัน ในประเทศไทยเราเนี่ยฝ่ายตัวงนข้ามอาจจะอยู่ในพระราชฐานขบราชาของเราก็ได้หรือว่าอาจจะอยู่ในในร่วมกับคณะรัฐบาลก็ได้หรือในหน่วยราชการต่างๆข้าสิกอาจจะอยู่ในที่นั้นก็ได้เราก็รู้ไม่ได้เหมือนกันเขาะจะมีหรือไม่มีทีนี้นขอรูหลานที่รักฟังแล้วต่อไปลูกหลานทุกคนเป็นเจ้าของประเทศ เวลานี้ลูกหลานทุกคนก็เป็นของประเทศอยู่แล้วแต่ถ้าว่าต่อไปเรื่องการบริหารประเทศจะเป็นของลูกของหลานฉะนันเวลาที่เราจะบริหารประเทศแล้วก็ดูตัวอย่างหอศพลิศที่ท่านทำไว้ยังไงเราต้องทำตามนั้นแล้วก็ตรงจุลรรมดระวังย้ายหอข้างแคบมันขึ้นมาปรากฏ ให้คำว่าหอกข้างแคร่ก็หมายความว่าคนที่เป็นข้าสิกเนะ่ะที่เขาอยู่กับเราเขาต้องทําดีสแสดงถึงความจงรักภั ก, ภกดีรับประจาชการดีดีไม่ดีข่าวสารการเมืองต่างๆที่เราได้รับทราบจากความเป็นจริงเขาก็พิดแปลงข่าวร้ายให้กลายเป็นดีลวงเราเสียให้เราตายใจเขายะได้ยึดประเทศเราง่า <c> ย <oughs> ลุงปู่ก็ทราบมาว่าเรื่องการข่าวคราวของทานายการเนี่ยมันมีอยู่สมัยหนึ่งเคยรับข่าวเท็จๆกันอยู่เสมอพว่ามีเด็กของลุงปูค่คนหนึ่งแล้วหลายคนรับรนายการในฝ่ายขา่าวเธอได้รับทราบข่าวจะจริงจังเป็นข่าวที่กรองแล้วแล้วก็จะนําเสนอกระรัฐบไป ก็มีขลิการฝ่ายข่าวทันผู้ใหญ่นี่นานมาแล้วนะ <c oughs> มันนานมาแล้วแต่งแต่ล้มปู่ยังเป็นนม อ, อยู่เธอรายงานตามความเป็นจริงท่านผู้บังคับบัญชาก็ว่าริงว่าคนรายการอย่างนี้รายงานตรงๆอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็เปรตปวดเสียงบิงกล้าวปวดหัวกันตาย ควรจะแก้ไขว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้ายนี่นี่เป็นอันเป็นว่าประเทศกองเราเนี่ยถูกนักการข่าวที่รายงานข่าวกระทำเรื่องการผิดลิ ด, ดพลาดมานานแต่ว่าสมัยนี้มีคนฉลาดมากอาจจะได้รับข่าวตามความเป็นจริงก็ได้นี่วันที่พูดมันนี่เวลามันผ่านมาสี่สิบปีเสียจ แ, แล้วนะที่เป็นอย่างนี้ พี่ลุงปู่รูกก็เเขาว่าคนที่เขาเขียนข่าวคนนั้นเข้าไปเพื่อนกับลุงปู่เองเสมอไงนั้นลุงปู่ก็ยังทุกข์ขลีตีมงกุฎ อ, อยู่กระวงราชาการยังได้รับทราบตามความเป็นจริงในตอนนั้นลุงปู่ยังเป็นนมก็ยังไม่ได้บวทมาปรึกษากั น, เ พ, นกเพื่อนกับเพื่อนกันว่าคนคนนี้เห็นจะไว้ไม่ได้ มันเป็นภัยใหญ่เพราะเวลานั้นอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีต้องการย้ายเมืองเราเป็นเมืองขึ้นของเขางเขาจะครองบระเทศเราจะไม่หาเลยว่าเราควรจะทํำยังไงถ้าเราจะทำก็เป็นความลับแต้คําว่าความลับในที่นี้หมายความไม่เกี่ยวข้วองกับทางราชการเป็นเรื่องส่วนตัวจะทําประชาติ เขาเป็นคนมีอำนาจใหญ่ถ้าเราไม่มีอำนาจพอไปหลบน่องเขาเรื่องก็ไม่อยากมักเราก็ทําได้โดยที่เขาไม่ได้ทํางานที่นั้นต่อไป <c oughs> แล้ว ว, วิธีทําทํำยังไงก็เป็นเรื่องเขาสมัยโน้นสมัยนี้หลวงปู่พูดไปได้ใช่แนละ้วเขาเป็นพะ <c oughs> ไปน้องเล่าเรื่องท่านต่อไปว่าพระเจ้าวิเทียาราช ในเห็นภัยที่จะมาถึงข้างหน้านี่ขอย้อนอีกสักนิดนะเป็นอนุว่าคนของมโหสดที่เป็นแนวที่ห้าอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าจุลนีพระมทัตจึงได้กล่าวทูลโมโหสดบัณฑิตเป็นที่ปรึสษาของทารายการของพระเจ้าวิยาีหราช เห็นภัยจะมาถึงว้วหน้าเป็นผู้มีความไม่ประมาทในบรรดาประชาชนคนข้าเปลือกเข้าไปเก็บไว้ในช้างหลวงส่วนที่เหลือเก็บไว้ริมกําแพงเมื่อรับน้าฝนก็งอกเป็นกล้าแล้วกลาดทูลต่อไปว่าภาัยในพระนครนั้นข้าวปราเป็ญาหารอุดมสมบูรณ์มากอย่างยิ่งบางเวลาก็ต้องขนออกมาแจกจ่ายกับคนภายนอก โดยพระเจ้าข่านี่เขาเก่งมากไนะมนี่เขาเก่งจริงๆต้องดูบรญญาโหอสดแต่นี่เป็นอันว่าตอนนี้ค่าบอกเป็นเล็เลดยุติธรรมเนะีเป็นเล็ยุทธธรรมหม่ว่าเป็นเล็ด ธ, ธรรมของกนยุธพูดง่ายๆกนยุใไ้การรบจะมีสองอย่างยุทธวิธีกับกนยุธ เป็นดันว่าพระเจ้าจุล น, นีพรทธะทัตแห่งปัญจารณนครเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงได้จ่ายกับท่นเกวตัตโดยทว่าถ้าอาจารย์วิธีที่จะนำข้าเปลือกนะจะทำให้ชาวเมืองอดข้าวหน้าโควจะไม่สมเ็จข้าวมันมากขานาดไนมึงงอกมาซะแล้วนี่เพราะในเมืองปรากฏว่ามีข้าวปลาอุดมสมบูรณ์มาก จนถึงต้องเก็บไว้ริมกําแพงแล้วก็จนมอกออกมาเป็นกลาาเต็มไปหมดเราจะทำยังไงต่อไปนี่แยมาตีเมืองเขาไม่ได้แล้วใช้วิธีล้อมให้อดตายท่านเกวะก็กราบทูลต่อไปว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านะพระพ่ทเจ้าเป็นดิบเป็ น, ปนมนดิบประจําพระยาสมณะของพระัว ได้สนแสดงความสา ม, มารถต่างๆให้งงงรงคทรงทราบมาในการก่ามาคราวนี้จะยอมแพ้จมโหสดบินบันดิดท่เมืองมกลามหานครคนรุ่นเด็กกว่านะดูจะอะไรยอยู่ค่าพระพุทธเจ้าจะต้องหาวิธีชนะมโหสถให้ได้เป็นร่าข้าพเจ้าจะขอออกความผิดใหม่ไปเดียวค่น เมื่อเจ้าจุนนีพระมันทัจยินในถามว่าให้วิธีการขอด้าอาจารย์น่ยมันมีแบบไหนท่านเกวัดิกล่าวถุนว่าต้องใช้ธรรมยุทธเจ้าค่ะธรรมยุทธนี่มาจาพราะธรรมยุทธนรูลักษ่ะธรรมยุทธนี่เขาใช้ต่อต่อสรอีสกุลต่ยุทธตัวนี้เป็นยอแย่สรอทอด ท, ทหารนกกอะทง หมายความว่าต้องรบกันด้วยปัญญาไม่ใช่รบกันด้วยอาวุธหรือว่าไม่ใช่รบกันในการกักให้อดข้าวท่าเจ้าจุนนีพระมุทิตาถามว่าทำมยุทธน่ะเป็นยังไงท่านเกวัติกราถุนว่าทำมายุทธก็คือรบโดยไม่ต้องใช้อาวุธให้บัณฑิตเจ้าสมนครนะฮะคือข้าพระพุทธเจ้ากับอาสถพบ ก, กั น, นที่ใดที่หนึ่ง เมื่อพบ ก, กันก็ถามปัญหาเมื่อพบ ก, กันแล้วนะฮะมันอิจคนใดไหว้ใครก่อนมันอิจคนนั้นเป็นฝ่ายแพ้ข้าพระพุทธเจ้าวหวังหรือกล่าวว่ามโมโหสถจะต้องไหวข้าพระพุทธเจ้าก่อนเพราะว่าข้าพระพุทธเจ้าแก่กว่ามโหสถแต่มโหสถก็ยังหนุนอยู่มาก เมื่อพระโหสุดถวายข้าพระพุทธเจ้าชาวมิถิลานครก็จะสําคัญว่าบัณฑิตแห่งปัญจาร น, นครยิ่งใหญ่กว่าบัณฑิตแห่งเมืองวิเทลามหานครความความขามควา ม, ควา ม, ค, วามความกลัวนะ่ะความกลัวก็จะเกิดขึ้นกับชาววิถิลาแล้วก็คราวนี้แหละพระพุทธเจ้าค่ะอันนี้มันเป็นจิตวิทยา ชาววิเทระจะต้องเมืองวิเทระจะต้องตกอยในเงื่อนประหารของเราเพราะเขากระออ ง, อง น, นี่แหละที่ข้าพระพุทธเจ้าถาวายเล่หว่าธรรมยุทธนะ์น่นก็คือวิธีการอย่างนี้พระเจ้าค่ะพระเจ้าจุนีตัดทงความคิดของเกวะอาจารย์ว่าแหมเนี่อะไรอาจารย์ความคิดของอาจารย์นี่มันดีจริงๆฉันเห็นชอบด้วยค่ะ ถ้าอย่างนั้นก็จงรีบดำเนินการลูกหลานที่รักเกวัดถึงไม่ไยาะแก่ถ้ว่าเรีเยกว่าแก่น้ําเต้าแก่ฟักแก่แฟนแก่แตงแก่น้ําเต้ายิ่งแก่เท่าไรค่าของมันก็หมดไปฟักแก่ไส้กรล้มแฟนแก่ไส้กรล้มแตงแก่ไส้กรล้มน้ําเต้าแก่เปลือกแข็งเนื้อแข็งกินไม่ได้ รายประโยชน์ยังเกวัตอาจารนีธิวัตตนเป็นคนแก่คิดว่ามโหสถเนินเด็กแงงงกว่าตนยังได้ตั้งใจอย่างนั้นแต่ก็คิดผิดฟังเรื่องของท่านต่อไปเท่เกวัตบโรยิจเท่เขียนพระยสารมีใจความว่าข้าแต่พระเจ้าวิเทหราชเท่งโงมิธิราวันนี้เราต้องสมนครคขอรบ ก, กันด้วยธรรมยุทธ ขอให้ท่านทรงบัณฑิตแห่งมิจฉาลนาครมาพบ ก, กับบัณฑิตแห่งบัญจาลานาครแล้วสนามธรรมยุทธ์ขอให้ฝ่ายท่านจัดสนามไว้ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งตามแต่จะเห็นสมควรหากถึงเวลาไม่มีผู้ใดออกไปผู้นั้นก็จะต้องเป็นผู้แพ้เมื่อเขียนเสร็จแลว้วพระเจ้าจุลนีก็ทรงปราลงลงพระประมาวิถัยรองชื่อ ให้ราชบรวรุตนําไปถวายพระเจ้าวิเทหาราชสําหรับพระเจ้าวิธีหาราชได้รับสา่ท้าทายธรรมยุทธก็ไม่ด้ทราบว่าจะจะทำแบบไหนกแน่จึงได้รับสั่งให้เรียกโมโหสถเข้ามาแล้วส่งสารมาให้อ่านฝ่ายมโหสถได้ทราบมาก่อนแล้วเพียงเลตธรรมยุทธของเกวัต ที่สาราบก็จากคนแนวที่ห้าที่วางไว้อยู่ใกล้พระราชายกราทูณว่าขอเดชะขอไม่ลงด้ส่งต่อพระอริสานตกลงที่ทำทมยุดกนันชาวมรา จ, จะเตรียมสนามยุดไว้าทางด้านประตูด้านปัดชิมปัะฉิมขอยกอวใหกองทัพกรุงประจารมาที่สนานมทำยุดกันแหน่เ ม, ม่ละ มี่ขเขาเก่งขนาดนี้นะเมื่อพระเจ้าวิเทีราติเนสมมระยทานน่าจยสารตอบตามที่มโหสถกราบโูนเ น, น, นื่อสังในฑูตนำบัวายพระเจ้าจุลนีมโหสถเตรียมจัดเตรียมจัดสนามทมยุทธธรรมโตด้านตะชิมคิดว่าวันทุ่งนี้คนงเห็นดีกัน พอวันลุ่งขึ้นไปเจ้าจันนีพมรทัดพร้อมมิตรพระรายาชาร้อยเอ็ดกระองได้สเสด็จไปสู่สนามธรรมยุทธแต่เช้าเกวัด ก, ก็ไปรอยอยู่ก่อนด้วยทูตทหารนิมโหสถวางไว้หนึ่งร้อยกำเนคนร้อยอีกคนตามเบอร์ต่ า, างก็คุมเกวัดไว้โดยที่เกวัดไม่ได้รู้ตัวที่ถูกขนาบฝ่ามโหสถมันิต ตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับอันเลิเลอก่อนที่จะไปสนามยุทธได้เข้าฝ่อพระเจ้าวิเทหราชกล่าวพลว่าขอเดชะข้าพระองค์จะลวงเกวัตได้แก้วันีขอได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเจ้าาวันีปแปดขแก่ข้าพธเจ้าในการไปครั้งนี้ด้วยเถิดไปเจ้าค่ะ เมื่อได้รับพระัชนีพระรา้าไทยเจ้ามณีรัตนแล้วมโหสถจึง ก, กาา ร, รงกาบถวายพระกคมลาออกจากพระนครจึงว่าเร้อม่ได้สายชาติหนึ่งพันคนขึ้นรถเทียมมีม้าสีขาวไปหยุดอยู่ตรงริมประตูแล้วก็ลงจากรถไปด้วยท่าทางอันองอาจโดยจไกลโดยจไกลสีไงใกลสอนสีหราชพระเาอยสี ถือมณีรัตนะเดินมาหาพระมเกวัดมณีรัตนะก็คือแก้วมณีนนรัตนเข้ามาแก้วฝ่ายบริโริตเห็นความส ง, งา่าผ่าเผยองอาจของมโหสถก็ไม่อาจที่จะทรงกายเฉยอยู่ไหนลุกขึ้นต้อนรับโมโหสถแล้วก็กล่าวว่าโอ๋นอท่านมโหสถมันฑิตเราทั้งสองต่างก็เป็นมันฑิตเหมือนกัน เรามาอยู่ที่นี่หลายเวลาแล้วไม่เห็นท่านส่งบรรณาการมาให้กับเราเลยเราอยากจะทราบว่าเป็นพ่ออะไรท่านยังไม่ได้ส่งเพื่อบรรณาการมาให้เราในฐานะที่เราเป็นบัณฑิตร่วมกันพระอก็กล่าวว่าข้าวิเจ้าคิดถึงท่านอยู่เสมอแต่ก็ยังหาอะไรที่สงควรแกท่านไม่ได้จริงไม่ได้มาหาท่านบัตนีข้าวเจ้า หาบรรดาการในสมคนได้แล้วพระเจ้ า, า, จ, าจะได้นำบรรดาการมาบรรดาการนมาให้ท่านและโมโหสถวันอีกก็ ย, ยื่นมัีรัตนะให้แกเกวัตพูดว่าขอท่านจงรับมันนีรัตนะนี้ไว้เถิดให้แกมานนีเขาเสียท่าระมัดโรหนามที่รักลองคิดกังไว้ก่อน ท่าเกวัตเห็นมณีรัตนะมีแสงรุ่งเรืองสดใสก็สดใสก็พอใจยื่นมือออกมารับโอ้โสมมาโฮสดยื่นมณีรัตนะให้ตกลงที่ปลายนิ้วของเกวัตใช่ไหมยื่นไปให้ทําไมให้ดีอุ้ง ม, มือเราให้ตกลงที่ปลายนิว้วน้ำหนักเขามณีรัตนะมีมากเขายื่นมาสองมือเลยนะ นิวเกวัตก็ไม่อาจที่ทานไม่ได้แกวันนี้ก็พัดตกตรงใกล้ท้าโอโหสถเอาสิตอนนี้ยุ่งแล้วเกวัตก้มลงไปเก็บข้อความโลกโอโหสถได้ทีจริงจับคอเกวัตด้วมือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็จับชายกํา บ, บินไว้แล้วกันกดคอจับชายจำเบินจะก็ตกแก้ผ้านี่น่ากลัวนะ ลูกหลานเวลานี้ก็ไม่รู้จักใชก้กระเบนสมัยก่นอนเ้านุ่งพนหงแบบจงกระเบนเห็นว่าในพระราชฐานยังมีอยู่จับช้กระเบนไว้แล้วก็พูดว่าท่านโปโรหิตลุกกรนเถิดคำว่าเจ้าเป็นเด็กว่าท่านขนาดลูกขนาดหลานยาไหว้ำว่าเจ้าเลยเสียท่ากต็ตรงนี้เองแล้วก็กดคอเกวัดไว้นั้นแม่แม่กดคอลงไปกับพื้น นะจนกระทั่งเลือดไหลนะนะกดคอลงให้พื้นกดลงไปให้หัวก็แทกกันลาเลือดไหลเมื่อทรมายเกวัดคอสมควรจับความต้องการแล้วจึงจับคอสายเอาไปพูดว่าคนอันดรภัยคิดเล่ห์รมยุทธจะให้เราไห้กันก่อนเลยไม่มีหวังแนละ้ว เกวัตถุมโหสถจฉกคอสายออกไปกระเด็นไปตกฟกชูที่หลายหวายาวระยะหลายหวาลูกก็ได้ก็วิ่งหนีไปเป็นแม้่าทางหายก็โมโหสถก็มาเก็บเอาแก้มนันนไว้เสียงเซ็งแท่ทั่วบริเวณสนามทำยึด ว, ว่ดวาเกวัตก้มลงไหวโมโหสถที่เท้าแล้วก็ถูกโมโหสถฉกให้กระเด็นไปหลายหวา นบรรดานลูกหลักพี่หลานโดยทุนนายด้วยเวลาแม้เรื่องกำลังยั น, นดีนะแต่ปรากฏเวลามันหมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็เห็นที่ต้องลา ก, ก่อนอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีดลูกหลานที่รักทุกคนและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่รับภังสวัสดี